ในการเจริญพระกรรมฐาน <c oughs> สาหรับการพูดเรืระประธานวันนี้จะพูดตั้งแต่เล็กน้อยไปถึงมากหมายความว่าจะพูดตั้งแต่ต่าไปถึงสูงตามกาลังใจขบรนดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทถ้าญาโยมพุทธบริษัททุกคนทีห่หลายคนที่มาถ้ายังไม่ทำไม่เคยทำอะไรมาก่อนหรือ ว, ว่ายังใหม่จริงๆไม่เคยฝึก <c oughs> ให้ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธความจริงเรื่องคำภาวนานี้ญาติโยมพุทธบริษัทที่นี่ไม่จำกัดคำภาวนาเพราะว่าเวลากลางคืนเป็นสุขวิปสัสสโกท่านจะใช้คำภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าญาติโยมที่ใหม่จริงๆคอยใช้คำภาวนาว่าพุทธโธให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโท ก็ว่ายังไม่ต้องทำอะไรมากแค่ความจริงการใช้ใช้เวลาจริงๆเวลาภาวนาให้เวลา20นาทีแต่ว่าในช่วง20นาทีนี้อาจจะกลุมกำลังใจเมื่อาอยู่มากนักเรือยๆลมหายใจเขาออกไปบ้างภาวนาตามบ้างแต่บ้างขณะจิตก็พลาดพลาดจะคำภาวนาพลาดพลาดจะลมหายใจเขาออกคิดเรื่องอื่นข้ามาแทรกอันนี้เขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่าทุกคนยังในเกณฑ์ฝึกเรายังไม่ใช่พระอาหารหันต์ท่านนิจจจะไม่แลบไปสู่ลมพายนอกคือไม่มีรมพุ่งร้านก็เฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นเพราะสซดาคีธาคานาคานี้ยังมีทั้งหมดในสําหรับญาติโยมที่ใหม่จริงๆก็ใช้ใช้ง่ายๆโ ย, ยมนะให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท ถ, ถ้าจิตมันคิดอะไรอื่นเข้ามาแทรก รู้สึกตัวว่าเริ่มใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธังใจออกนึกวโทโธ <c oughs> ่น้่ญาติโยมที่เคยปฏิบัติมาแล้วต้องการอารมณ์ทรงตัวตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิวนร์ห้ารายการนิวนรณห้าราการไม่มีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวตัดสมาธิคือกำลังของสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจะมีขึ้นมาได้ตอเมื่อนิวรณ์ยังไม่เข้ากวนใจ <c oughs> สาหรับนวรณนี้เป็นเรื่องธรรมดาอ่ทุกคนต้องมีถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์สำหรับพระนาคามีก็ตัดนิวรณ์ได้แค่สองตัวต้นอีกสามตัวยังตัดไม่ได้อีกสามตัวจะตัดได้ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นเมื่าเรามีความจําเป็นต้องมีนิวรณ์คู่อยู่กับใจเมื่อเวลาที่เราทําสมาธิถ้ามีนิวรณ์กวนใจ เวลานั้นสมาธิไม่เกิดก็ไม่เกิดก็ต้องพยายามระงับมีวรรณ า, าการโดยไม่นึกขึ้นมนเลยมีวรรณ า, าการก็คือหนึ่งความรักในระหว่างเพศเมื่อรักรูปสวยเสียงเพราะจินทน์หอมมดอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นมีก า, การที่สองความไม่พอใจรายการที่สามความง่วงปรายการที่สอารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเหนือจากคำภาวนา รายการที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติสําหรับญาติโยมบริษัทที่ต้องการให้จิตชื่นฉาน <c oughs> ก็ต้องพยายามควบคุมกําลังใจอย่าให้กําลังใจเข้าไปหานี้วอนวิธีควบคุมกําลังใจก็ไม่มีอะไรมากคืออากาจิตใจตั้งใจรู้ลมใจเข้าให้ออกให้ใจเข้าเรารู้ให้ใจเข้ า, ร า, ร า, ใ, ห ใ, ขาให้ใจออกก็รู้ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวระยสั้นให้ใจออกยาวระยสั้นก็รู้ถ้ารู้ว่าไมใ่ใจอย่างนี้มีวันเข้าไม่ได้มีวนห่างไปช่วคราวนอกจากหนังจากนั้นก็ภาวนาควบคํำภาวนานจะใช้อะไรก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไรดีให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทและให้ใจออกนึกว่าโธ ถ้าทำอย่างนี้ขณะใดาที่จิตไม่มีนิวรณ์ห้าเข้าควบคุมเธอจิตไม่เข้างในิวรณ์ห้าเวลานั้นความรักในระหว่างเพศก็ไม่มีความรู้สึกความไม่พอใจก็ไม่มีความรู้สึกความง่วงก็ไม่มีอารมณ์อารมณ์สั้นก็ไม่มีนึกถึงลมไมยใจเขาออกนึกถึงคำภาวนาเป็นปกติอารมณ์สงสัยในผลการปฏิบัติก็ไม่มีแปลว่าหูยังได้ยินเสียงทุกอย่างครบถ้วน เขาพูดอะไรเรารู้แต่ขณะนั้นบังเอิญหูได้ยินเสียงแต่ไม่ดำคาญในเสียงอาการอย่างนี้แปลการของปฐมมาญความจริงปฐมมัญชันในเมอาการไม่สูงนักไม่ใช่สมาธิสูงมากก็ยังมีสภาพตามปกติหนึ่งยังรู้ลมไม่ใจเข้าออกประการในสองรู้คําภาวนาจิตก็ไม่ได้ดับอาการในสามหูได้ยินเสียงครบทุนทุกอย่าง ถ้าพูดแรงเขาพูดเบาร้องดำทาเพลงก็รู้หมดฟังด้วยเสียงรู้เรื่องหมดแต่ว่าหูไม่ดําคาญใจไม่ดําคาญในเสียงถ้าจิตไม่ดําคาญในเสียงเวลานั้นเป็นปฐมฌานเอาละคุยแค่ปฐมฌานก็พอตอนนี้ถามว่าจิตไม่ดําคาญในเสียงนั้นก็จะมีอาการชั่วคราวปรเดี๋ยวสมาธิก็พราดเครื่องอารมณ์ต่ําลงมาก็ เ, าเกิดดําคาญในเสียง ถ้าเกิดลำคาญในเสียงอย่างนี้ถือว่าเวลานั้นจิตต่ำจากแน่จากรวมชา์ฉันนี่สลับไปตอนตอนึตน้ง ต, ตอนกลางแต่ตอนสุดท้ายถ้าญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านมีความประสงค์เพื่อมรักผลต้องสูงต่อไปก็ให้พิจารณาสัญญาติสิเพืสัญญชติสเอาแค่สามเรื่องต้นก่อนอสัญญตสามเรื่องต้นถ้าตัดได้ <c oughs> ก็เป็นอารมณ์ขุนโสดาหรือวิสิกธาคามีว่าถ้าเป็นโสดาบรรอรม์โสดาบันเขาหยาบหน่อยถ้าอารมณ์ละเอียดก็เป็นอสิกธาคามีสังเดวสามก็คือหนึ่งส ก, กายทิจิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเร า, เราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเรานี่เป็นพื้นฐานเดิมแต่ว่าสนับอารมณ์ขุนโสดาบันวิสิกธาคารมี ยังไม่ถงึงยังไม่ถึงก็ปล่อยร่างกายต้องมีความรู้สึกกันนว่าชีวิตคือร่างกายที่มันต้องตายเวลานี้จะเรามีชีวิตอยู่ก็จริงแหละแต่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายแน่ถ้าถามว่ายังมีความรักร่างกายไหมก็ยังตอบว่ายังมีความรักร่างกายอยู่แต่ก็มั่นใจว่าร่างกายมันต้องตายไม่ติดเกินไป พระโสดาบันก็ดีพระศิรธารคามีก็ดีจะมีการรักสวยรักงามทุกอย่างจะมีความรู้สึกในระหว่างเพศจะมีการแต่งงานคนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเลิกกันใช่ลงใจอ่อ น, ออนก็คิดว่าคู่ครองก็ดีเราก็ดีไม่ช้ามก็ ต, มกมต้องตายเหมือนกันเมื่อคิดว่าจะต้องตายก็ตั้งตั้งใจสร้างความดี <c oughs> ความดีที่ทําต่อไปก็เป็นสัญยาข้อที่สอง คือวิจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นั่นหมายควา ม, มาว่วายอมนับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมนับนับถือพระธรรมคําสอนยอมนับนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแล้วต่อไปก็ตัดสินยข้อดีสามคือศี ร, ระตปรามาต์พระโสดาบันก็ดีพระสีธาคาร์มีก็ดียังไม่ใช่สินแป เราสดาบานิสิกิทาคำมีจะรักษาแค่สินห้าหรือกระหมดสิบก็ยังไม่ต้องอดเข้าเย็นยังมีคู่ครองได้คำว่าสีรับป ร, บปราบราไม่จะหมายความวู่ปคําศินนม่นหมายความไม่รักษาสินดีวความจรงิงจังรัษาสินมีสินทรงตัวบ้างสินขาดบ้างบุกกล้องบ้า ง, างตอนนี้เราไม่เอาละเราจะตัดสัโนยอดข้อนี้ตั้งใจรักษาสินด้วยความจริงใจ แม้แต่สิขาบทใดสิขาบทหนึ่งใน5้ในหสิขาบทนีบานาธิบาตเป็นต้นนิสราเที่สุดเราจะไม่ยอมละเมิดทุกอย่างเพราะว่า่หม่ๆมันก็ต้องลืมบ้างเป็นของธรรมดาต่อไปถ้ามีอาการเคยชินเข้าสิ้นก็มีการส่งตัวถ้าขณะใดถ้าศิ้นมีการส่งตัวก็หมายความเราจะไม่ลื ม, มแน่ เจตนาที่ตั้งใจทําลายฉินไม่มีในเราเวลานั้นที่ว่าท่านทรงอารมณ์ขมัสโสดาบันสิกิตาขามีไว้อ้ น, นี่ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังเอาแค่นี้ก่อนดีไหมไอชาติแค่สิกิาสโดาบันนะเวลทหันนี้ฉันจะไม่มีข้าวกินมิพานกันหมดอันนี้ก็มาเล่าเรื่องสู่กันฟังนิดหน่อยแกงงวง นี่ว่ามาสิบห้านาทีว่าที่จะเริ่มเรื่องกันแล้วคนฟังม่วงแล้วไม่ม่วงก็ไม่ทราบแต่ฉันเริ่มม่วงก็ไป็นว่าต่อไปนี้ก็จะคุยกันเรื่องพันดาบทสององค์เฮ้ยคุยเรงคนที่มีความไม่ประมาทแต่ว่าท่านสององค์นี้ก็ไม่ใช่พระอริยเจ้าจนผู้ทรงฌานโลกี ในพระธรรมบทภาคที่สองเรื่องทุนางสาวมาวดีที่นี่เป็นตอนต้นในตอนต้นเขายังไม่กล่าวถึงมนางสาวมาวดีเป็นกล่าวว่ามีกษัตริย์สององค์และอยู่ประเทศติดต่อกันกษัตริย์ทั้งสององค์นี้ก็เป็นเพื่อนกันเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังเด็กตอนรุ่นมุ่งไปเรียนวิชาคมไปกับนักเดียวกันออกมาแล้วมาสมัยเมื่อพ่อตายทั้งสองฝ่าย ต่างคนต่างก็เป็นสัตว์กษัตรว์องค์ที่หนึ่งชื่อว่าอลาปัปตะชื่อเหมือนเมืองเมื อ, อ, อ, กกมเองก็ชื่อว่าแควนอลกปปะเหมือนกันตัวกษัตริย์เองก็ชื่ออลกปปะองค์ที่สองมีเดินชื่อทีอัลทีตับะเวททีประกาศเวททีประกาศก็ไปชื่อเหมือนเหมือนกันตัวกษัตริย์ก็ชื่อเวททีประกาศ ทั้งสององค์นี้มาเป็นกษัตริย์แล้วปกครองประเทศชาติมากี่ปีก็ไม่ทราบตามบาลีไม่ได้บอก <c oughs> แต่ว่าขั้นสุดท้ายบอกว่าลูกเป็นลุงเป็นสาวแล้วทั้งสองกษัตริย์ก็มีความรู้สึกว่าขึ้นชีวาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของไม่เที่ยงมาแบนิจังคือไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการเสื่อมไปในทัานกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด แม้แต่สิ่งที่เรารักเมื่อเราตายไปแล้วคนที่เรารักหรือเขารักเราเขาไม่ตายตามเราไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่ร่างกายของเราที่เรารักที่สุดเขาต้องทนหนมมากที่สุดเมื่อเราตายไปแล้วเขาก็ฝังบ้างเขาก็เผาบ้างทอดทิ้งซะบ้าง <c oughs> ร่างกายก็ไม่ตามไปต่สององค์นั่งมาพบกันตามบทีแต่พบก็อยู่เสมอก็บฏสาหารือ ว, ว่าการเป็นเราสัตยของเราก็เป็นความดี เป็นคนที่โตกว่าทุกคนในประเทศแต่แว่าสิ่งที่เราโตกว่าไม่ได้นั่นก็คือพญามัรจุราชพญามัรจุราชโตกว่าเราแน่สักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายเให้เราจะขืนครองความเป็นฆราวาสอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องทั้งสองคนออกบทดีกว่า <c oughs> ก็ทรงตัดสินใจพร้อมกับเราสององค์จะออกบวท แต่ตัดสินใจร่วมมาแล้วต่างคนก็ต่างกลับเข้าไปเทศเสนาได้จะสมบัติมอบราชสมบัติให้แก่ราชโอรสจับแผงจับวันในเหสีเมื <c oughs> ่อมอบไรสมบัติเสร็จทั้งสององค์รับรองก็กบวชเป็นดาบดไม่ต้องมีประชาต่างคนต่างตั้งใจเข้าป่าไปร่วมกันพอเข้าถึงหุ่นละวันในประเทศป่าที่มีหมอกมีความหนาวสูง เมื่อคนไปไม่พอรจะถึงทั้งสองท่านก็นอยู่ด้วยกันต่อมาวันหนึ่งทั้งสองท่านก็นมาหาด้ยกันว่าการที่เราออกบวชเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนสิ้นไรไม่ตกเราไม่มีจย ก, กินเราไม่มีทรัพย์สินออกบวชก็อีกเรื่องหนึ่งทั้งหากอันนี้เราเป็นกษะสัตรเราต้องการ อ, อบวชเพื่อต้องการอยู่สงัดมีกายสงัดมีจิตสงัด พราว่าถ้าว่าอยู่ร่วมกันสองคนก็เถือว่าไม่สงัดเพราะยังคุยกันเนี่ยไม่สงัดอารมณ์ในต่างกันบ้างบางโอกาสในความขัดข้องในใจอาจจะมีถ้าอย่างนั้นเราแยกยังอยู่ดีกว่าท่านสองกษัตริย์ฤาษีก็ตัดสินใจแยกกันอยู่ก็เลยบอกว่าท่านยังอยู่ถ้ำโนนภูเขาลูกโนนผมนี้อยู่ลูกนี้ ในตอนต้นการปรึกษาหารืรอว่าตกลงว่าถึงวันกักตึงเดือนถึงวันกลางเดือนกับวันสิ้นเดือนซึ่งเป็นวันอุโบสถก็ต่างคนต่างมาพบกันภายในไม่ช้าทั้งสององค์ก็มีความเห็นต่างว่ากันว่าในขณะที่เราจะมีการพบกันอยู่อย่างนี้ก็ยังชื่อว่าจะมีการสังคมเกลื่อนกนยังมีการ <c oughs> ปราปนเป็นื่อนกลืนกนเป็นหมู่คณะ เอาไม่ดีกว่าต่อไปเราไม่พบกันแต่ว่าถึงเวลาครึ่งเดือนวันกลางเดือนระหว่างสิ้นเดือนเวลากลางคืนท่านสองฝ่ายต่างคนต่างจุดไฟสมไฟขึ้นเป็นสัญญาณว่ายังไม่ตายเอาตกลงกันแบบนี้แล้วท่าสองนกสัตว์ก็แยกกันแนละปฏิบัติตามนั้น <c oughs> ต่อมาภายนั้นไม่ช้าเวทีประกะศที่แยกไปอยู่ภูเขาหนึ่งตาย ว่ตายจากความเป็นคนในฐานะที่สั้นทรงฌานโลกีแต่ก็บังเอิญเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายถ้าเข้าฌานตายต้องไปเป็นพรหมเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายก็เวลาตายก็จิตอยู่ในสมาธิพอสมควรไม่ได้ไปถึงฌาน <H as> ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มาก แล้วก็มีวิมานทองคําไปนที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารอันนี้เป็นผลของสมาธินะแล้วต่อมาท่านก็พิจารณาว่าเรามีทิปสมบัติเพื่อเหตุอะไรเทวดาและนางฟ้าทุกคน <c oughs> ทุกท่านเวลาที่ตายไปแล้วเบียเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีขยับพิจารณาแบบนี้เสมอถ้าเขามีทิปสมบัติมีความสุขและเพื่อเหตุอะไรก็ทราบว่าเราสองคนเป็นษัตว์ มอบรายจสมบัติให้เกรลรูปแล้วต่อมาก็มาอยู่ป่าเจอสมาธิและมีสมาธิพอทุกคน้วก็ตายเพราะก็ะเบงที่มีสมาธิไม่เป็นเทวดาที่มีศักดายใหญ่ <c oughs> มีฤทธิ์มากเวลานี้เพื่อนของเราอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่หรืออนลกัปะทั้งเลขประกาีเทวดาก็ลงมาจากความเป็นเทวดาลงมาเืองมนุษย์ แปลงกายจากเทวดาเป็นคนเดินทางแล้วก็เดินทางเข้าไปหาท่านอันละกับปะพอเข้าไปถึงแล้วก็ยกมือไหว้ต่างคนต่างทักทายกันที่แปลงกายมาเป็นคนรูปเดิมไม่เหมือนรูปเดิมนะท่านอัลละกปะก็ถามว่าท่านมาจากไหนท่านเวททิฏฐิกะก็บอกว่าผมเป็นคนเดินทางครับหลงทางมา พอคุยแล้วสองท่าคำท่านเวทีประกาศก็ถามว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่องค์เดียวหรือครับท่านอน ก, กปะก็บอกว่ามีด้วยกันสององค์คือเพื่อนกันต่างคนต่างเป็นรษัตย์แต่ว่าเมื่อวันกลางเดือนมาวันบานนี้ท้าไม่สูงไฟขึ้นถ้าไม่สูงไฟรับแสดงว่าเพื่อนเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ท่านเวทีประกาศก็บอกว่าเพื่อนของท่านองค์นั้นคือผมเองครับ แล้วก็กปังก็ถามว่าท่านตายไปแล้วเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านเวสทิปการก็บอกว่าเวลาดีผมได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคํำบินที่โยมมีนางฟ้าหนึ่งพันเนบริวารแล้วก็เป็นเทวดาที่มีอมีอนุภาพมากก็จึงถามท่านเวสทิประกาศว่าท่านมีความสุขก็มีความทุกข์ท่านเวสทิปกาศก็บอกว่าความทุกข์อย่างอื่นของเราไม่มี เพราะว่าผมมีความทุกอย่างเดียวคือพวกช้างช้างมันมากวนใจผมตึงอยู่เสมอลานหน้าลานหน้าถ้ำนี่ทาให้เรียบเปียบตอนเช้าวันที่ลาช้างมันขึ้บ้างใหปหลุ ม, มนเนบ่อเปนฝุนเจ้าขี่รถขึ้บ้ า, บางผมก็จะไปทงไปทงบ่อให้มันเต็มทําพื้นที่เรียกไปโกนขี้ช้างทิ้ง ท่านเวททิพย์ประกาศก็กว่าถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยไล่ช้างให้เอาไหมแล้วประกาศก็บอกว่าแล้วก็ปากก็บอกว่าเอาแต่ว่าแทนที่ท่านเวททิพย์ประกาศท่านจะช่วยไล่ช้างนะท่านให้พินไม้อันหนึ่งพินมีสามสายแล้วใคมนเพิ่มสามบทขยันได้มนก็ไปไปขอเองนะใจลงนะมีมบนสามบทต้งบอดพินพินสายที่หนึ่งเวลาที่ท่านดี แล้ก็ไล่เวทคือมนต์บทที่หนึ่งอย่างนี้ช้างจะวิ่งหนีขนาดไม่เหลียวหลังกลัวมากถ้าบิดพินสายที่สองแล้วไล่เวทไล่ว่ามันว่ากระถาบทที่สองอย่างนี้ช้างวิ่งหนีไปแล้วก็เหลียวหลังดูนิดหนึ่งแล้ววิ่งต่อไปไม่กลับถ้าท่านบิดพ้นสายที่สามแวว่ากระถาบทที่สามอย่างนี้ช้างนายฝูงจะคุกเข่าไม่ขี่คอ แล้วถ้จะใช้งานอะไรก็ได้ตามความประสงค์ เ, ออาเราทั้งวันทีว่ากระปะบอกแบบแบบนั้นแล้วอ่านแบบแบบนั้นแล้วก็หายไปมอบพินแล้วให้กระถาแล้วก็หายไปเป็นเงินว่าอนทั้งละกระปะก็ปฏิบัติตามนั้นทดลองดูเมื่อช้างประมาณแสนตัวเข้ามาท่านดิบพินสายที่หนึ่งว่ากระถาบทหนึ่งช้างก็วิ่งหนีไม่เหลียวหลัง ต่อมาวันที่สองทดลองทดลองสายที่สองก็ปรากฏมีผลต่ำนั้นพอสายที่สามมันดิตมาก็ปรากฏว่าช่างนายโขงคุกเข่าไม่ขี่คอก็เป็นว่าท่าน ม, มีความสุขพ็ใสยผินอันนี้ที่นำเรื่องนี้มาเล่าดิดาญาโยมพยุทธวิสัตน์เงนี้จบไม่ได้นิยมนะสามวันนี้ถ้าคุยกันวันชงงงงัวงไม่จบยาวมาก ก็ต้องการอนุญาตยอมรู้ผมว่าการเจริญสมาธิอนุญาตยอมพฤติแบบับายสัตว์มาทําสมาธิเนี่ยบางท่านจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้น้อยหรือเกินสมาธิอ่อนมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ไปคิดว่าจิตเรามีความสงบแต่ว่าการที่ทรงสมาธิก็ถือว่าแบบนี้นะว่าขณะใดที่จิตเรายังมีกุศลอยอารมณ์เป็นกุศล เพื่อนึ่งเวลานั้นจิตไม่คิดจะฆ่าสัตว์ไม่คิดจะรักทรัพย์ไม่คิดจะพุชิดในกามไม่คิดจะบุสาวาสไม่คิดจะเด่นฟราเมรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง, งแม้จะเพราะเวลาน้อยน้อยที่เวลาที่ญาติโยมาประชุมกันก็ตามเวลานั้นท่านถือว่าเป็นผู้ส่งศีลด้วยการที่ท่านตั้งใจไม่ละมุนสิขาบทหน้าราการอย่างมี่เ ท, ที่ว่าศีรานรสติกรรมาฐาน เป็นสมาธิกองหนึ่งในกองในสิบกองการรสติมัีสิบเป็นกองหนึ่ ง, นนงคือนั่นคือศีลานุสติกามฐานศีลานุกติกรมฐานไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนาใต้จิตตั้งใจสงบคิดว่ามาจากบ้านขณะที่มาจากบ้านตลอดเวลาที่นั่งที่นี่ เราจะเป็นคนมีศินใบสุดในชินห้าก็ตามกับบทสิก็ตามมีชินไตก็ตามตามแต่ความพอใจแล้วเราก็สามารถทําได้จริงๆมาถึงที่นี่แล้วมันตั้งแต่มาถึงที่นี่หนึ่งเราก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูผิดในกาไม่พูกนุสาวาตในจังโสมาไรจิตใจตั้งตรงสงได้แบบนี้ยาม่ที่ผมีสมาธิในศรีลานกับานไม่มีแล้วนะ และหลังจากนั้นถ้าจิตใจเขม้มรวดเจ้าพุทธบริษัทมีความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ทุกคนก็มีความเคารพแล้วนะถ้าไม่มาที่ท่าที่มานี่ทุกคนถ้าไม่มีความเคารพพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาถ้ามีความเคารพพระพุทธเจ้าเจาเรียกว่าเป็นสมาธิในพุท ธ, ธานุสติมีความเคารพในบัตธรรมคําแนะนําก็ชื่อว่ามีสมาธิในธรรมานุสติ มีความครบในพระสงฆ์ก็จะมีสมาธิในสังขัรปติเกี่งความว่าเท่าที่มาเนี่ยสมาธิมีตั้งหลายกองเื้องหนึ่งพุทธานุติมีความครบในพระเจ้ามีแล้วสองธรรมานุติเวลาที่ตาวแทนทุกคนเยียบสงัดแสดงมีความครบในประธรรมอันมีแล้วรายการในสามสังขารนิติมีความครบในพระสงฆ์มีแล้วและรการในสี่ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ไม่มีใครขาดสิน ก็มีสมาที่ในสีราบติก็สี่กองนี่มีแน่นอนในเรื่อสี่กองนี่มีแน่นอนแล้วผลข้างหน้าจะเป็นยงไงสมมติว่าเราไม่มีโอกาสจะนั่งหลับตาถ้าขณะที่หลับตาพลมาเก่เาจิตทรงตัวไม่ได้หัวคิดนอนคิดนี่ก็มาดูผลข้าที่เราเว้นเอาสี่กองน้่นมันมีแล้วนี่เอาเราผลของกองเดียวคือพุทธามุติมิถึงมรเจ้าเป็นอารมณ์ ตัวอย่างมันก็มีมาในเรื่องราวของนางสาวมาวดีด้วยกันนี่โกตุฮิกะเกี่เรื่องลั้งเขามานีดหน่อยโกตุฮฤกะนี่สองคนตายายเป็นคนจนเข้ายากมากแพงฝนแรงไในตกต้องทําอยู่กันเคย อ, อยู่เมืองอลกักกัอันลกปะเวลานั้นไอวาตกโรุเกิดขึ้นสองคนตายายมีลูกอ่อ น, ออนคนหนึ่งยังคลานไม่ได้ ตั้งใจว่าจะเปิดเมือโกสัมพีก็อาหารเท่าที่มีมีก็สุกสานบ้างก็ใส่กระเช้ามามากินในป่าได้แค่สามวันอาหารหมดเดินทางยังไม่เต็มครึ่งป่าดีเลยไม่ถึงครึ่งทางก็ต้องดอาหารกันมาอสามวันในที่สุดโกตัวนิกะตัดสินใจที่งโลกมันทนไม่ไหวหิวก็หิวสามวันในอด ก็ลูกไปวางไว้โคนต้นไม้ใบไม้รองต่อมาพรรยายไม่เห็นลูกก็ถามว่าถามสามีว่าลูกไปไหนที่บอกฟังไว้ที่โนนว่าสองคนกลับไปดูก็ตายกันลูกตายซะแล้วนี่เป็นผลอันเปน็นเพราเขาไม่มีเจตนาในการฆ่าลูกแต่ความหิวบังคับทำอุ้มไม่ไหวสองคนตายใยญก็เดินมาไปถึงเขตเมืองโกสัมพีก็พอดีบ้านถึงบ้านในโค บ, บานคนเรื่องวัว ในโคบายน์เขาทําบุญวันนั้นมีพระประเเอร์พระเจ้าองค์หนึ่งเขานิมนต์ไว้ประจําก็เข้าไปบ้านนั้นเมือเข้าไปถึงบ้านนั้นในโคบานก็าถามว่าสองคนมาธุระอะไรเธอก็บอกว่ามาจากเมืองรกะกับป่าดอยากมากจะมาหางานทำในโคบายนเห็นว่าเราสองคนอิริรยมากเธอก็บอกว่าเรื่องงานที่เมื่อก่อนที่นี่มีเยอะมันยังไม่ต้องพูดกันผู้ก็ได้ษเงว่าเธอจะวริโภคอาหารไหมกินข้าวก่อนก็แล้วกัน ถ้วตักข้าวมาทุกปลายิอมให้คนในชามใหญ่ๆท่านมทธรรมท่านสามีเห็นข้าวก็ไม่รอแล้วใช่ไหมโกตัวอธิกมันไม่ยังตัวภัญญากินเล็กๆน้อยๆไม่ห่วงสามีแต่ความจริงชามมันก็ใหญ่สามีกินหมดปัญญาห่วงสามีถามวพอไหมสามีบอกยังไม่พอก็ส่งฝนยิ่งตัวให้ไป ในสามีขนาดกินส่วนของปัญญาไม่ทันหมดตายอยือตายแต่ก่อนจะตายก็ไปเห็นสุนัขสุนัขประจําบ้านเนี่ยของไมโครไบน์เขาเขาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเวลาเขากินอาหารเวลาไม่นใช้โครบายก็กินอาหารกินบ้างแบ่งสุนัข ก, กินบ้างเธอคิดในใจว่าสุนัขมันดีกว่าเรากินอาหารดีๆอย่างนี้เราเป็นคนไม่ได้กินอาศัยด้วยจิตใจสนใจในสุนัข ตายแจกความเป็นคนเข้าทองสมุนัขเป็นลูกสุนัขไปอันนี้ต้องขอเล่าลัดๆในเวลาสองนาทีหลังจากนั้นเกิดมาเป็นสุนัขแล้วก็มีความเคารพในพระบัจจีพเจ้ารักมากเคารพมากเถิดมาเจ้านายใช่ปริมลพระเจ้พระเจ้าเธอสามารถทําได้แต่พอพระเจ้พระเจ้ากลับพระเจ้าพระเจ้เจ้าหอบลับตาเธอไปขณะที่หอบไปเธอเห่าบ้างหอนบ้างอะไรนี่ความอะไร พอพระปเจริพุทธเจ้าลับตาไปก็ตายจากความเป็นสนักขาดใจตายเพราะนึกถึงพระปเจริพุทธเจ้าการนึกถึงพระประเจริพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นพุทธานปฏิกรรมฐานฉะนั้นสุนัขตัวนั้นตายจากความเป็นนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคําไปที่อยู่มีนาวฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารอาศัยที่เห่าที่หอน ทีมนพระเจ้พระเจ้ า, จาบังส่งเสียงตามพระเจ้าพุเจ้าบังก็เป็นเทวดาที่มีเสียงดังมากท่านบอกขนาดกระซิบกระซิบดังไปยีหโยดยแย่นีนมาวันเราก็แย่แล้วถ้าพูดดังถ้าพูดเต็มที่วะเละเต็มที่ดังก้องดาวดึงนี่รงความว่ า, วาเฉพาะพุทธานด้วยอย่างเดียวบรรด า, ายติโยมพระตบิชัทมัน่นก็ไปสุนัขนะ คนนักไม่มีการรู้จักบาปบุญคุนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ <c oughs> เป็นแตเห็นว่าเห็นพระ พ, ยยพุทธเจ้าท่านใจดี <c oughs> มัน่นจะแสดงความรักเมื่อมีความรักในท่านนึกถึงในท่านการนึกถึงพระเ พ, พุทธเจ้าเขาถือใ่าพุทธามุติกรรมฐานก็ตายจากความคนในสงฆ์พุทธามิทั น, นให้เธอไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงกติวรโลกก็บรรดาญาติโยมพวกเรวคนสัตว์ที่มันนั่งทุกคน <c oughs> เวลานี้ไี้บอกแล้วว่าอนุสติสีรายการนั่นเขามีรายการเดียวมีพุท ธ, ธาธนุสติญาติโยมมีพุท ธ, ธานุสติด้วยมิถิลพุทธเจ้าคารพุทธเจ้ามีธรรมมาณมิติคารพธรรมสังขาขรมิติคารพสงฆ์ในขณะที่อยู่ที่นี่ก็มีศีลานิติคารพในศีลท่านมีอนุสติทั้งสีอย่างอย่างนี้ถ้าอย่างน้อยสุด การไ่เกิดวิจาวดาวินนางฟ้าบนสวรรท่านดาวริงเป็นของม่ ญ, ญาติกระดรนดาญาติโยมพุทบริษัทเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปเ้าญาติโยมหลายตั้งใจสม า, า, สม า, าทานศีลสมาทานกรรมฐาน